จเจรินพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2557เปรอ น, นที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะาบบยสุดเพราะเป็นการเติมเสบียงให้แก่ชีวิตชีวิตของพวกเรานี่ยังเดินทางกันอยู่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เราจึงต้องมาทําบุญมาชําระบาปมาชําระใจให้สะอาดโดยสุดเหมือนกับรถยนต์ที่เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ํามันเติมน้ำเติมลมทําความสะอาดเช็ดกระจกให้สะอาดเพื่อเราจะได้เห็นทาง เพื่อเราจะได้เดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันชีวิตของพวกเราตอนนี้ก็เดินทางอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใจพบคือการมาพบรูปพบและอารูปภพบพบที่เป็น พบที่เราสามารถที่จะมาเติมสบียงเติมน้ำมันเติมอะไรต่างๆให้กับชีวิตของเราได้ก็คือพบของมนุษย์ส่วนพบของเทวดาของพรงพบของเดราชานของเปรตของนรกนี้เป็นที่รับผลของ บุญหรือผล บ, บาปที่เราทํากันเพราะที่เรามาสร้างบุญพบที่เรามาสร้างบาปก็คือพบของมนุษย์การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงมีโอกาสที่จะสร้างบุญก็ได้จะสร้างบาปก็ได้แต่ถ้าเราไปเกิดในพบอื่นนี้เราจะไม่สามารถ สร้างบุญหรือสร้างบาปได้เช่นถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาเราก็จะไปรับผลบุญถ้าเราไปเกิดนิบายไปเป็นเปรตไปตกนรกเราก็จะรับผลบาปจนกว่าผลบุญหรือผลบาปหมดเราจึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญทำบาป ก, กันใหม่ ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะมีผู้สอนผู้บอกเราว่าบุญนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์บาปนี้เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยนะการชำระใจเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโชคว่าสนาอย่างยิ่งเพราะว่านานๆานจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้แก่โลกเป็นที่พึ่งของโลกเพราะานานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนมาตั้ง ศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสอนให้เราได้หลุดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่พวกเราปรารถนากันก็คือพระนิพพานแดนแห่งความสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์ดังนั้นชาตินี้เราจึงถือว่าเป็นชาติที่เต็มไปด้วยโชควาสนาที่เราควรจะขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะสามารถเล็ดลอดออกจากวัฏฐแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติ ตามคสอนเราจะทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็จะวนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะความรู้สึกนึกคิดของเรานี้จะไม่คิดถึงเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะไม่คิดถึงเรื่องของการละความโลภความโกรธความหลง จะไม่คิดเห็นเรื่องของการละความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากดืมอยากรับประทานอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีฝังอยู่ในใจของพวกเรามาอันยาวนานไม่ต้องมีใครสั่งสอนแม้แต่เด็กเล็กๆ ก, ก, ก็มีความรู้สึกนึกคิดที่จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอ like ย่างนั like ้นเป็นอย่างนี้ ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวเหตุที่ผลักดันชีวิตของเราจิตใจของเราให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบกับคำสอนที่จะสอนให้พวกเรามาชำระใจ มากำจัดความโลภความโกรธความหลงมากำจัดความอยากต่างๆให้มดไปจากใจเพราะถ้าเรากำจัดได้แล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจของเราไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เช่นเรามาเกิดเป็นสุนัขที่เขามาปล่อยอยู่ตามวัดตามวาต่าง สุนัขสุนัข ก, ก็จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะเมื่อไม่รู้คำสอนก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติเขาก็จะอยู่ไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาซึ่งความรู้สึกนึกคิดของเดรัจฉานก็จะคิดเอาตัวรอดเวลาอยากจะกินอยากจะ ทำอะไรก็ทำไปโดยไม่คำเดึงว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วบุญหรือบาปแต่อย่างใด น, นี่คือการมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเดรัจฉานก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากาศาสนามากนักนอกจากความร่มเย็นเป็นสุขทางร่างกาย คืออยู่กับวัดก็ปลอดภัยอยู่กับวัดก็มีที่อยู่อาศัยมีอาหารรับประทานไปวันๆนหนึ่งก็ได้ประโยชน์เพียงเท่านั้นจากพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะสามารถศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของเรานี้ คนจะดําเนินอย่างไรพอเรารู้และเรานําเอาไปปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะเดินไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่เรากลับไม่มีศรัทธา ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดก็มาเพียงแต่าทาบุญใส่บาตรบริจาคข้าวของเงินทองแล้วก็กลับบ้านไปไม่ต้องการที่จะศึกษาไม่ต้องการที่จะฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องการที่จะนำเอาคําสอนไปปฏิบัติ เราก็จะได้ประโยชน์ไม่มากนักจากพระพุทธศาสนาได้เพียงการทําทานเพียงอย่างเดียวทานก็จะมีอนิสงส์ทำให้เราไม่อดอยากขาดแคลนเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะมีทานเป็นคอยดูแลเราให้เราไม่อดอยากขาดแคลนแต่ เราจะไปเกิดในภพไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับศีลที่เราจะรักษากันถ้าเราไม่สนใจที่จะรักษาศีลถ้าเราไม่รู้ว่าศีลมีคุณประโยชน์มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้จะไปสูงหรือจะไปต่ำนี้อยู่ที่ศีล ไม่ได้อยู่ที่ทางทางเพียงแต่ทําให้เรามีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแต่เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนถ้าเราไม่รักษาศีลโอกาสก็จะทําให้เราต้องไปเกิด ในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตแต่ถ้าเราถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพไปเสวยอาหารทิพย์ที่เราได้จากการทำทานของเราอีกที สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้พบพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทาทานเพื่อที่เราจะได้ไม่อดอยากขาดแคลนเราต้องรักษาศีลเพื่อที่เราจะได้ไปสวรคร์แล้วเราต้องชำระ ใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เรื่อยๆถ้าเราเพียงแต่ทําทานเพียงแต่รักษาศีลเราก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพนล้วพอบุญที่เราได้สะสมน้าเสื่อมไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเริ่มต้นใหม่ ถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรมได้แต่เราก็ต้องเสื่อมลงมาอีกเช่นเดียวกันเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสวรรค์ชั้นเทพจากชั้นเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรา อยากจะไปแบบไม่เสื่อมไม่กลับลงมาเราก็ต้องปฏิบัติชำระใจของเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามองโลกนี้ว่าเป็นโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกที่มีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อม เป็นโลกที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีความอยากเราก็จะต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเราจะไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้นั่นเองแล้วเวลาเรา สูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาตอนที่เราตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเราศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปหมดไป แล้เราไม่สามารถที่จะยับยั้งสิ่งต่างๆให้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ดับไปได้เราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกข์เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียเขาไปในที่สุดเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร พอเราไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การที่เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่นั่นเองแต่พอเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจอยู่เรื่อยๆให้มองความจริงให้รู้ความจริง ที่มีอยู่ปรากฏอยู่เพียงแต่เราไม่มองกันเราเลยไม่เห็นกันเราไม่เห็นว่าทุกอย่างนี้จะต้องเสื่อมไปเราคิดว่าทุกอย่างจะอยู่ไปเรื่อยๆแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปหมดไปจะไม่อยู่อย่างนี้ไปตลอดแล้วของทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา มันก็ต้องหมดไปพอหมดไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไปหาโลกใหม่ที่มีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ต่อไปอีกจะเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยโลกต่างๆนี้จะมีเกิดมีดับไปได้เรื่อยโลกใบนี้เกิดมาได้ตั้งอยู่แล้วต่อไปก็จะต้องหมดไป แต่ถ้าใจของเรายังมีความอยากใจของเราก็ยังไปหาโลกใหม่ได้ไปหาร่างกายในโลกใหม่ได้ไปเกิดใหม่ไปแก่ใหม่ไปเจ็บไปตายใหม่ได้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เริ่มต้นด้วยการทำทานให้ทำทานคือให้สลัทรัพยบข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจําเป็นอยากเก็บเอาไว้เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของความอยากพอมีเงินทองเหลือใช้เดี๋ยวก็อยากจะซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นที่จะทําให้เราเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้น เว uh> ลาเราซื้อของชิ้นหนึ่งแล้วเราก็อยากจะซื้ออีกชิ้นหนึ่งแล้วก็อยากจะซื้ออีกชิ้นหนึ่งอยากจะซื้อไปได้เรื่อยถ้าเรามีเงินซื้อเราก็จะซื้อไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะหยุดซื้อเช่นถ้าเรามีเงินเหลือเราไม่เก็บเอาไว้เราเอาไปทำบุญทำทานเราจะเก็บไว้แต่เฉพาะซื้อของที่จาเป็นไม่ได้ซื้อของตามความอยาก ของจาเป็นก็คือปัจจัยสี่นี้เองก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคการซื้อของจําเป็นนี้ไม่ได้เป็นการทำตามความอยากเมื่อไม่ทำตามความอยากก็จะไม่มีความอยากที่จะซื้อแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจะซื้อตามเหตุผลตามเหตุการบังคับเช่นอาหารหมดต้องซื้ออาหารก็ซื้อมา เสื้อผ้าขาดใส่ไม่ได้ก็ต้องซื้อมาแต่ถ้าเราซื้อตามความอยากเราจะซื้อมากเกินไปเสื้อผ้ามีเหลือเฟือเราก็ยังอยากจะซื้อใหม่เพราะความอยากนี้จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดลําคานใจพอเราซื้อทำตามความอยากความหงุดหงิดลาคาญใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวเราก็เลยคิดว่าเป็นความสุข เป็นวิธีดับความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจของเราแต่เราไม่รู้ว่าเป็นการเพิ่มความอยากให้มีต่อมาอีกหลังจากเราซื้อของที่เราอยากได้แล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปซื้ออีกก็ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเวลาหาเงินหาทองก็อยากจะหา แบบง่ายๆแบบเร็วๆวก็นักจะต้องทำบาปต้องโกงบ้างต้องโกหกหลอกลวงบ้างเราก็ไปทําสิ่งที่เราไม่ควรทําแต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีเหลือเฟือเกินความจําเป็นนี้มาช่วยเหลือคนอื่นมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของตาาอ่างๆหยาก แล้วการช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. ก็จะททำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้น mm hmm. เพราะเราจะมีความเมตตาการุณา mm hmm. เราจะไม่ชอบเบียดเ mm hmm. บียนผู้อื่น mm hmm. ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำบุญขั้นที่สองที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำได้ mm hmm. ก็คือการรักษาศีล mm hmm. ไม่ทาบาป ก, mm hmm. การไม่ทำบาปนี้ mm hmm. เกิดจากใจที่มีความเมตตานี่เอง ถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นเราเอาเงินเราทองไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้เราก็จะไม่อยากจะทําร้ายเขาเราจะไม่ชอบทําบาปเราก็จะรักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะมีกําลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นที่สามขั้นที่สี่ต่อไปได้ขั้นที่สามก็คือการทําใจให้สงบ ทำใจให้นิ่งไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดนี้จะทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเกิดความหิวเกิดความหงุดหงิดลำคาบใจขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วความพอไม่มีความอยากใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุข เราก็จะเห็นคุณค่าของความเย็นสบายของความสุขของใจที่ได้จากการไม่คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆเราก็อยากจะตัดความอยากให้หมดไปเวลาเกิดความอยากเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเกิดความอยากได้พอเกิดความอยากเราก็ต้อง ปฏิบัติธรรมขั้นที่สี่ที่ผู้เจ้าทรงสอนก็คือสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปได้อะไรมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรมา เราก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้สูญเสียนี่คือปัญญาเป็นการปฏิบัติขั้นที่สหลังจากที่เราทําทานได้รักษาศีลได้แล้วนั่งสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนใจเราไม่ให้ทําตามความอยาก ถ้าจะทำอะไรก็ให้ทำตามเหตุผลเช่นเสื้อผ้าขาดต้องซื้อใหม่อาหารหมดต้องซื้อใหม่บ้านชำรุดบ้านเก่าต้องซ่อมหรือสร้างใหม่ทาตามความตามเหตุตามผลไม่ทำตามความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรตามเหตุผล ถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่มีความหงุดหงิดลาคาญใจถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้เราก็อยู่กับมันไปก่อนเช่นเสื้อผ้าขาดต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ถ้าไม่มีเงินซื้อก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใช้เสื้อผ้าเก่าไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีความอยากซื้อขึ้นมานี่มันจะเกิดความหงุดหงิด นำคาญใจจะเกิดความไม่สบายใจต้องซื้อให้ได้เพราะถ้าไม่ซื้อแล้วเหมือนจะ ต, ตายให้ได้ mm hmm. นี่คือฤทธิ์ของความอยาก mm hmm. เวลาเกิดความอยากแล้วมันจะทำให้ใจของเรานี้ไม่สงบไม่สบาย mm hmm. ดังนั้นเราต้องต่อสู้กับความอยากด้วยการใช้ปัญญามองให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ เป็นการเพิ่มความทุกข์เพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นถ้าถ้าต้องการให้ความทุกข์มีน้อยลงให้ความอยากมีน้อยลงก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากถ้าเราฝืนได้แล้วต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีความอยากมาคอยบังคับมาคอยฉุดลากให้เราไปทำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราอาจจะต้องไปทำบาปทากรรมต่อไปนี่คือการมาเติมบุญมาเติมสเสบียงในขณะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเสะบุญหรือเสบียนงนี้เท่านั้นที่จะสามารถพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายไปสู่ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่ความสุขที่ถาวรได้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาเช่นเดียวกัน เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้อยู่ที่เราว่าเราจะเอาสิท ธ, นนทธินั้นหรือไม่ใช้สิทธินั้นหรือไม่เหมือนกับเวลาที่เราเลือกตั้ง <sque ak. S 1> เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทนของเราแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้สิทธิ์นั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์นั้นเราก็ไม่ได้เลือกคนที่เราต้องการ แต่เช่นเดียวกับสิทธิ์ของเราในการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเรามีสิทธิ์ที่จะศึกษาปฏิบัติและบรรลุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ไข่ดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาพระธรรมคาสอนให้มากบ้าแล้วจะทำให้เราเห็นคุณค่า ของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติ ต, ต่อไปแล้วผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทำหน้าที่ของมนุษย์คือมาเติมสบียงเติมบุญเติมกุศล ให้แก่ชีวิตจิตใจเพื่อจะได้นำชีวิตของเราให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการได้เข้าถึงความสุขที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุพระษีลัตนาตรายัยได้บุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเลตเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญข้าวลร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ